พันสาที่แปดเข้ามาจำพันสาที่เมืองโคราตอำเภอจั ก, กราชไม่อาจลืมปลื้มใจยิ่งตั้งใจจริงไม่ทิ้งผาวนาแล้วจึงเริ่มเร่งงานฝ่ายกรรม า, านนั้นทุกเวลา ไม่ยอ่อทอรอาไม่คลาดคลาด้วยใจใมันนั่ง น, น, นานๆจากนั้นเดินจงครงไม่นาน เริ่มแน่นเหนียวสงบเกลียวกลมรวมแน่นซึ้งเป็นหนึ่งอารมณ์สงบระงอภ พรรษาทันใดจะริกไปคนหาอาจารย์อาจารย์ดีอยู่ในไกลกันดานไม่ผ่านผมดันดนไปไต่ถางหลายสิบอาจารย์ที่ไปไม้เรียนทำแล้วยังไม่นําใจตนต่กดี